ผู้ฟังทั้งหลายเคยได้ยินเรื่องราวของผีบุกโรงพักเพื่อแจ้งความกับตํารวจให้ไปจับคนร้ายไหมคะหลายๆคนคงจะคิดว่าเรื่องราวแบบนี้ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แน่นอนแต่ว่าเรื่องราวแบบนี้ได้เกิดขึ้นบนโลกกลมๆใบนี้แล้วล่ะค่ะเมื่อผีนักศึกษาสาวบุกรงพักเพื่อแจ้งความกับตํารวจ กลายเป็นข่าวพาดหัวโชว์ราบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับยักษ์ใหญ่ฉบับหนึ่งเมื่อไม่นานที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นขายเกลี้ยงไม่เหลือบนแผงหนังสือเลยสักฉบับทั้งๆที่คนอ่านเพียงพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งซึ่งเนื้อหาของข่าวยังไม่ได้อ่านเลย แต่ว่าคำว่าผีนะคะยังเป็นที่สนใจของคนไทยกว่าค่อนประเทศคือมีทั้งคนเชื่อแล้วก็คนสงสัยว่าผีมีจริงหรือเปล่าเพราะคำว่าผีส่วนมากเมื่อได้ยินเขาเล่ายังไม่มีใครคนใดยืนยันว่าเห็นด้วยตาของตัวเองแต่ว่าคราวนี้ค่ะคนที่ยืนยันเห็นกับตาของตัวเองนั้นเป็นถึงนายตำรวจระดับสารวัตร ถ้าจะพูดไปแล้วนะคะตำรวจส่วนมากได้เจอกับผีมาแล้วทั้งนั้นตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ต, ตยสถานผีหมายถึงศพหรือว่าซากศพค่ะไม่ว่าจะเป็นคดีรถชนคนตายฆ่าตัวตายยิงกันตาย ล้วนแล้วแต่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจจะต้องออกไปตรวจพิสูจน์แต่ผีกับอีกความหมายหนึ่งก็คือวิญญาณของคนตายหรือว่าสัตว์ที่ตายแล้วไปสำแดงร่างหลอกหลอนหรือว่าขอส่วนบุญนั้นน้อยคนนคะคะที่จะได้เห็นกับตาของตัวเองอย่างเช่นสารวัตรเวนสพย่อยมหาชัยในคืนหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องจริงที่เล่าลือกันมานานแล้วในวงการแคบๆค่ะ เฉพาะตำรวจในโรงพักเท่านั้นแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยรู้ไปถึงนักข่าวอาชญกรรมของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็ได้เดินเข้าเดินออกอยู่โรงพักเป็นประจำค่ะแล้วก็จะปิดได้อย่างไรเพราะว่าตำรวจกับทีมนักข่าวเนี่ยเขามีความเป็นกันเองอยู่แล้วมีอะไรเขาก็จะบอกๆ ก, กันแต่ถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไปทำอะไรผิดกฎหมายเข้าแล้วก็นักข่าวตีไม่เลี้ยงค่ะตำรวจเองก็จับไม่ไว้หน้าเหมือนกันเรียกว่าต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองจะละเว้นเห็นแก่ความเป็นเพื่อนเป็นญาติไม่ได้นะคะเรื่องราวเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นกับพันตำรวจตรีอิทธิพลค่ะสารวัตรเวนเจ้าของคดีผีบุกรงพัก เห็นว่าข่าวก็เป็นข่าวนะคะถ้าไม่เล่าให้ฟังก็ไม่จบก็เลยได้เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับนักข่าวฟังเป็นฉากๆไม่มีปกปิดแต่ประการใดโดยพันตํารวจตรีอิทธิพลนะคะบอกว่าคืนนั้นเนี่ยเป็นเวลาตีสามแล้วตํารวจที่เข้าเวรทุกคนต่างก็ง่วงเต็มที่บางคนก็ออกตรวจทองที่ดูแลความสงบเรียบร้อยตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แล้วก็ยังไม่กลับเข้าโรงพัก <tracked> ค่ะตํารวจที่เหลือนะคะก็อยู่อีกห้องหนึ่ง สารวัตรเวนก็อยู่อีกห้องหนึ่งเพียงลําพังคนเดียวแม้ว่าหนังตาจะปิดเพราะว่ามันทํางานของมันโดยอัตโนมัตินะคะแต่ตํารวจเวนจะหลับเวนไม่ได้เป็นอันขาดค่ะเรียกว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยต้องหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวอาชญากรรมหรือว่าข่าวการเมืองรวมไปถึงข่าวสะเทือนขวัญของผู้ร่วมอาชีพเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทหารตํารวจที่เดินทางไปให้ความคุ้มครองความปลอดภัยให้กับครูและชาวบ้านใน3าจังหวัด ชายแดนภาคใต้โดนรอบวางระเบิดตายหมู่บ้างตัดหัวจนกลายเป็นผีหัวขาดไปบ้างเมื่ออ่านข่าวการเมืองทำให้เครียดค่ะก็เลยมาอ่านข่าวบันเทิงเรื่องของคนหลอ่อคนสวยคนรักกันชอบกันธรรมดาบางคนก็เลิกรากันอย่าร้างกันมีสารพัดเรื่องราวข่าวบันเทิงให้อ่าน คือสารวัตรอิทธิพลนะคะท่านบอกว่าท่านอ่านหมดทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวบันเทิงหรือว่าข่าวการเมืองข่าวอาชญากรรมนะคะเวลางิบเงียบอย่างนั้นเนี่ยไม่มีอะไรมารบกวนใจก็เลยมีสมาธิในการอ่านเป็นอย่างดีจิตไม่วอกแวกนะคะแล้วก็ช่วงนั้นท่านบอกว่าไม่ได้ให้ความสนใจอะไรนอกจากข่าวก็เลยไม่รู้ว่ามีเด็กนักศึกษามานั่งอยู่ตรงนตรงข้างหน้าแล้วก็เข้ามายิบเงียบนะคะไม่ยอมเคาะประตูบอกก่อน เธอเองก็คงมานั่งรอนานแล้วนะคะหลังจากที่สารวัตรอ่านหนังสือพิมพ์ในคอลัมน์มิสแทบจะทุกคอลัมน์แล้ว สารวัตรเองบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนว่ามีใครสักคนหนึ่งมายืนหน้าโต๊ะทํางานเขาก็เลยพับหนังสือพิมพ์แล้วก็เก็บไว้เงยหน้าขึ้นมองเขาบอกตกใจแทบช็อกเหมือนกันเมื่อมีผู้หญิงแต่งตัวในชุดนักศึกษาผูกเนคไทสีเทามือซ้ายจับปลายเนคไทไว้อายุประมาณ20ปีเป็นเหมือนนักศึกษาในวิทยายลัยแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากโรงพักไม่กี่เสาไฟฟ้าหน้าตาแล้วก็ตามเนื้อตามตัวนี่มอมแมมนะคะผมเผภายุ่งเหยิงเหมือนเพิ่งโดนทําร้ายมาใหม่ๆ ก้มหน้านิ่งค่ะผู้หญิงคนนี้เอาแต่ร้องไห้ไม่ยอมพูดจาเมื่อตั้งสติได้ก็เลยบอกให้เธอเงยหน้าขึ้นเธอก็ยังคงร้องไห้ฟูมไฟไม่ยอมหยุดทีนี้สารวัตรก็เลยบอกว่าเอาละเงยหน้าขึ้นแล้วมาคุยกันบอกว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมอาจช่วยคุณได้นะแทนที่ผู้หญิงคนนั้นจะเงยหน้าขึ้นค่ะแต่ว่าร้องไห้สะอึกสะอื้นแต่เสียงสะอื้นของเธอนี่มันมีความต่างไปจากเสียงสะอื้นของคนธรรมดาทั่วไปคือเสียงนั้นมันจะเย็นชาแล้วก็เย็นเยือกแต่ว่าสารวัตร บ, บอกว่า ก็ยังไม่มีความเอดใจอะไรเพียงแต่มีความรู้สึกแปลกๆในเสียงร้องไห้ของเธอคุณไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมาคุยปัญหาของคุณให้ผมฟังและผมจะช่วยอะไรคุณได้สารวัตรพูดย้ํานะคะแต่เธอเองก็ยังไม่พูดแล้วก็ไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมามองหน้าสารวัตรทีนี้สารวัตรก็เลยพูดบอกว่าเอาล่ะใจเย็นๆทําใจให้สบายไม่ต้องกลัวนะที่นี่เป็นโรงพักไม่มีอะไรทําคุณได้เข้ามาใกล้ๆแล้วนั่งลงเก้าอี้ แทนที่ผู้หญิงนักเรียนหรือว่านักศึกษาคนนี้จะทาตามนะคะเขาก็ยังคงยืนนิ่งอยู่กับที่แต่ว่าเงยห น, น้าขึ้นมาช้าๆแล้วก็พูดบอกว่าสารวัตรคะมีคนถูกขังร้องขอความช่วยเหลืออยู่ภายในตึกคณะวิทยาการจัดการเธอผู้มากับความเงียบกล่าวจบแล้วก็ยืนนิ่งสงบอยู่กับที่นะคะก็เลย สั่งให้ลูกน้องที่อยู่ห้องอีกห้องนึงเนี่ยเพื่อจะออกไปตรวจดูที่เกิดเหตุด้วยกันแต่พอเดินกลับมานักศึกษาที่มาแจ้งความคนนี้เนี่ยหายไปแล้วโดยไม่รู้ว่าเธอหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่สารวัตรก็เลยออกเดินตามหาโดยคิดว่าเธอจะไปเข้าห้องน้ําแต่ว่าไปดูในห้องน้ําแล้วก็ไม่มีใครอยู่ก็เลยถามสิบเวรที่รักษาการอยู่หน้าโรงพักบอกไม่มีใครรู้ไม่มีใครเดินผ่านมาทางนี้เลยแม้ว่ามีอะไรที่น่าสงสัยเกิดขึ้น แต่ตัวของสารวัตรเองก็ยังไม่ได้เอะใจนะคะมาถึงจุดนี้ก็ยังคงคิดว่าเป็นคนปกติทั่วไปธรรมดาค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นเสมอในโรงพักแต่เพราะคนที่มาแจ้งความหรือว่ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยมันมีอยู่หลายประเภทด้วยกันในแต่ละวันบางคนก็มารีบแจ้งความเรียบร้อยก็กลับไปโดยไม่ได้บอกกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้รับเรื่องร้องทุกรู้เขาก็เลยสั่งให้ตํารวจ ช่วยตามหาตัวเธออีกทีหนึง่งบริเวณโรงพักนะคะแต่ก็ไม่มีว่แววของเงานักศึกษาสาวคนนี้เลยนะคะอย่างไรก็ตามสารวัตรนะคะท่านบอกว่าได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งแล้วก็บอกว่าให้ออกไปตรวจที่เกิดเหตุตามที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากนักศึกษาคนดังกล่าวอันเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องออกปฏิบัติงาน ก็เลยรีบพาตำรวจไปที่วิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ห่างจากโรงพักย่อยมหาชัยประมาณ300เมตรนะคะพันตำรวจตรีอิทธิพล เป็นยศตอนนั้นเล่ามาถึงตอนนี้ค่ะถึงกับถอนหายใจก่อนจะเล่าต่อไปตามที่ตัวเองได้เผชิญมาบอกว่าเมื่อไปถึงสถานที่เกิดเหตุตามที่นักศึกษาคนนั้นได้แจ้งความไว้ตอนนั้นอากาศก็กำลังขมุขมัวได้แต่เดินตรวจดูตามที่ได้รับแจ้งจากนักศึกษาสาวผู้ลึกลับคนนั้นเดินตรวจดูโดยรอบไม่เห็นมีเหตุการณ์อะไรผิดปกติ อาคารเรียนทุกหลังก็เงียบสงบจะมีก็แต่เสียงร้องของตุ๊กแกที่ร้องถี่ผิดปกติเท่านั้นเพราะว่าตามปกตินะคะตุ๊กแกถิ่นแถบนี้นานๆจะได้ยินเสียงของพวกมันร้องกระชั้นถี่ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่สถานีย่อยมหาชายัยก็เพิ่งจะได้ยินเสียงร้องผิดปกติก็คืนนี้เท่านั้นเหมือนตุ๊กแกมันจะบอกว่ามีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นหากคิดแบบคนโบราณ น, นะคะก็ต้องคิดแบบนี้ หลังจากที่เดินสำรวจดูจนทั่วแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะก็เลยเดินทางกลับโรงพักเพื่อทำหน้าที่สารวัตรเวรต่อไปจนกระทั่งสว่างพอดีตํารวจเอาหนังสือพิมพ์รายวันมาวางไว้ที่โต๊ะสารวัตรเวรเป็นปกติก็เลยหยิบขึ้นมาดูข่าวหน้าหนึ่งก็เลยคิดนะคะสงสัยว่าภาพข่าวนักศึกษาสาวชื่อนางสาวสาวภาลงบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้าตาของสา ว, วพาเอ๊ะทำไมเหมือนผู้หญิงคนเมื่อคืนจังเลยรูปร่างลักษณะหน้าตาคนคนเดียวเป๊ะก็เล่นเอาสรารวัตรมือไม้สัน่นแล้วก็ขนลุกขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแล้วค่ะสรารวัตรบอกว่าเชื่อทันทีเลยว่านักศึกษาสาวคนนี้เนี่ยที่มาแจ้งความกับเขาเมื่อคืนจะต้องเป็นคนคนเดียวกันกับคนในภาพนี้อย่างแน่นอนเอ๊ะเธอตายแล้วสรารวัตรก็เลยนั่งทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา โอ้สารวัตรบอกขนหัวลุกทันทีเลยเมื่อคืนผมคุยกับผียิ่งคิดภาพของเธอยิ่งผุดขึ้นมาอย่างเด่นชัดแล้วก็ในเนื้อข่าวลงไว้ดังนี้นะคะเมื่อวันที่29ก ร, รกฎาคมพุทธศักราช2550แต่ว่าในข่าวเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเป็นเวลากลางคืนหรือว่ากลางวันค่ะนางสาวสวภ า, าประชุมอายุ22ปีนักศึกษา วิทยาลัยราชภัฒนครศรีธรรมราชคณะวิทยาการจัดการเอกบริหารธุรกิจชั้นศึกษาปีที่4นะคะผูกคอตายในบ้านเช่าเลขที่3ทับ193หมู่บ้านการเคหะชุมชนอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชโดยการที่เธอตัดสินใจผูกคอตายหนีโลกในครั้งนี้ทั้งอาจารย์และก็เพื่อนเพื่อ น, นนักศึกษาด้วยกันต่างก็ลงความเห็นแทบจะเป็นเสียงเดียวกันว่าสาเหตุน่าจะมาจากที่เธอเนี่ยผิดหวังและเสียใจ ที่ความพยายามของเธอไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้เรื่องนั้นก็คือเสวาวภาพยายามวิ่งเต้นอย่างเต็มที่เพื่อกู้เงินกองทุนการศึกษามาจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอได้กู้เงินกองทุนการศึกษามาโดยตลอดตั้งแต่ปีหนึ่งนะคะจนถึงปี4ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นก็จะเรียนจบหลักสูตรในการศึกษาแล้วนะคะ ทีนี้เนี่ยการวิ่งเต้นขอกู้เงินจากกองทุนการศึกษาของเธอดูว่าจะริตตีเหลือเกินเพราะว่าไม่ได้รับคําตอบกลับมาว่าจะได้หรือไม่ได้เรื่องนี้เธอกลุ้มใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเธอเป็นคนที่ตั้งใจเรียนเมื่อเรียนจบแล้วก็จะได้ทํางานหาเงินมาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเธอสาววพาทำทุกวิถีทางค่ะเพื่อจะหาเงินมาลงทะเบียนเรียนถึงขนาดยืมเงินจากเพื่อนจ่ายไปก่อนโดยได้ให้ความหวังกับเพื่อนที่ให้กู้เงินบอกว่าได้เงินจากที่ขอกู้จากกองทุนการศึกษามาเมื่อ เธอได้จะจ่ายหนี้ที่ยืมทั้งหมดให้ทันทีสาวภาก็เลยเอาเวลาไปรับจ้างหลังเลิกเรียนก็ไม่พอจ่ายค่าหน่วยกิตนะคะเพราะว่าเงินค่าหน่วยกิจนะั้นมันเป็นเงินก้อนโตสำหรับเธอเป็นอย่างมาก การรอเงินกองทุนดูเหมือนจะสิ้นหวังยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดนอกจากผิดหวังเรื่องเงินกองทุนแล้วเงินยืมที่เอามาจากเพื่อนนะคะก็ได้กําหนดเวลาจะต้องจ่ายคืนแต่ว่าหาเงินที่ไหนมาจ่ายก็ไม่มีนะคะในช่วงเวลานั้นเธอมีความรู้สึกว่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมองอนาคตข้างหน้าก็ดูเหมือนจะมืดมนไปหมดหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้เธอก็ยิ่งคิดแบบนี้ก็ ย, ยิ่งกลุ้มใจน้อยใจในวาสนาของตัวเองที่เกิดมาจน ความคิดมารุมร้าจนลืมทุกอย่างแม้กระทั่งพ่อแม่ค่ะหากว่าสาวะพาคิดถึงพ่อแม่พี่น้องก่อนจะตัดสินใจทำลายชีวิตแล้วก็อนาคตของตัวเองเธอก็คงจะได้สติกลับคืนมาเพื่อจะหาทางแก้ไขสาวะพานะเวลานั้นลืมคิดถึงข้อนี้ไปเธอคิดแต่เพียงว่าเงินที่จะมาจ่ายค่าหน่วยกิจและเงินมาจ่ายคืนให้เพื่อนนั้นบัดนี้มันไม่มีแล้วจะหาที่ไหนใครจะให้ยืมหมดสิ้นทุกอย่างแล้วจริง เมื่อหาทางออกแบบนี้ไม่ได้นะคะก็เกิดอารมณ์ชั่ววูบขึ้นมาอยู่เหนือสตินั่นก็คืออย่ามีชีวิตอยู่เลยละกันการกระทำของสาวพาค่ะทำให้ผู้ที่เสียใจมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่คนที่อยู่ข้างหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของเธอ แต่ว่าเป็นพ่อแม่ของเธอที่ทุกข์ใจมากกว่าคนอื่นนะคะการตายของสวภาเนี่ยไม่ใช่การตายธรรมดาแต่ว่าเธอตายเพราะความผิดหวังแล้วก็ความเจ็บปวดในกองทุนการศึกษาของรัฐบาลที่เคยให้ทุกปีแต่พอมาปีสุดท้ายอนาคตของเธอก็ดับวูบลงเพราะว่าเงินกองทุนนี่ก็เป็นความหวังที่จะทาให้เธอเรียนจบนะคะแต่ว่า ความผิดหวังครั้งนี้ได้ทําร้ายจิตใจของเธออย่างร้ายแรงแล้วก็ฆ่าตัวเองตายให้ดับไปจากโลกนี้อย่างใจดําที่สุดค่ะนี่แหละค่ะที่ทําให้วิญญาณของเธอเฝ้าวนเวียนอยู่ในคณะแล้วก็หาทางออกเรียกร้องหาความเป็นธรรมจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่โยกโย่อเลือกปฏิบัติจนตัวของเธอเองต้องตัดสินใจสละชีวิตตัวเองเพื่อฟ้องสังคมให้รู้ว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหน การไปปรากฏตัวให้เป็นรูปร่างของวิญญาณเสวภานะคะบนโรงพักก็เพื่อร้องทุกข์กับสารวัตรอิทธิพลเพื่อหาความเป็นธรรมให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆนักศึกษาที่ยากจนที่ยังอาศัยเงินกองทุนเพื่อการศึกษาที่มีอยู่เป็นจำนวนมากทั่วประเทศ หลังข่าวผีนักศึกษาสาวบุกรงพักแจ้งความแพร่กระจายออกสู่สายตาประชาชนทางหน้าหนังสือพิมพ์จนเป็นที่ฮือฮาไปทั่วประเทศก็ทําเอาฝ่ายรับผิดชอบเงินกองทุนพากันเต้นผางซัดกันวุ่นค่ะกลัวความผิดในการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าแล้วก็ผิดพลาดทั้งขนลุกขนพองกลัววิญ ญ, ญาณของเสวภานักศึกษาสาวจะไปปรากฏตัวที่สํานักงานเพื่อทวงถามหาความเป็นธรรมตามๆกันนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สารวัตรอิทธิพลค่ะอยู่ที่ ส อ, อย่อยมหาชัยนะคะไดเ้เจอกันกับดวงวิญญาณของนักศึกษาสาวที่ขึ้นไปร้องโหมร้องไห้ให้กับสารวัตรได้เห็นแล้วก็บอกว่ามีคนถูกขังไว้ที่คณะวิทยาการจัดการให้ไปช่วยออกมาหน่อยนะคะพอไปปุ๊บก็ไม่เจอใครสรุปว่าเธอเนี่ยมาฟ้องสารวัตรมาร้องทุกสารวัตรเพื่อที่จะให้สารวัตรไปช่วยเธอนะคะเพราะว่าเพอเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในคณะวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราช นั่นเองนะคะเรื่องนี้ก็เคยเป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเรียกว่าเป็นที่ฮือฮาแล้วก็โด่งดังกันทั่วภาคใต้กันเลยทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องราวอี ก, กเรื่องราวหนึ่งของพูดผีวิญญาณที่ปรากฏตัวให้คนเห็นแบบจะจะ บางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อถึงอย่างนั้นนะคะก็ควรที่จะใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยเพราะว่าเรื่องที่เราเล่ามาให้ฟังเนี่ยอาจจะพิสูจน์ด้วยหลักฐานไม่ได้แต่ว่าสามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยพยานบุคคลนั่นเองค่ะ